123. ภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ต้องอบัตทุลใจด้วยอาการ5อย่างคือ 1. ทรัพย์มีผู้ครอบครองสสำคัญว่าเป็นทรัพย์ที่มีผู้ครอบครอง 3. ทรัพย์มีค่าน้อยราคาเกินหนึ่งมาศหรือน้อยกว่า5มาศสี 4. มีทยจิตปรากฏ 5. ภิกษุจับต้องต้องอบัตทุกกฏ ทำให้ไหวต้องอบัตทุกกฎทำให้เคลื่อนที่ต้องอบัตทุละใจ